จากข้อพิจารณาที่กล่าวมานี้จะเห็นว่าในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายของพุทธธรรมนั้นองค์ธรรมหรือตัวการสำคัญที่สุดที่เป็นตัวตัดสินในขั้นสุดท้ายจะต้องเป็นปัญญาและปัญญาที่ใช้ปฏิบัติการในขั้นนี้เรียกชื่อเฉพาะว่าวิปัสสนาดังนั้นการปฏิบัติที่ถูกแท้จึงต้องก้าวมาถึงขั้นวิปัสสนาด้วยเสมอส่วนสมาธินั้นแม้จะจำเป็น เพื่อทำจิตให้เหมาะกับงานแต่อาจยืดหยุ่นเลือกใช้ขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้เริ่มแต่ขั้นต้นๆที่เรียกว่าวิปัสนาสมาธิซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับขันธิกะสมาธิและอุปจาระสมาธิเป็นต้นไปโดยนยะนี้วิถีแห่งการเข้าถึงจุดหมายแห่งพุทธธรรมนั้นแม้จะมีสาระสำคัญว่าต้องประกอบพร้อมด้วยองค์มรรคทั้ง8ข้อเหมือนกัน แต่ก็อาจแยกได้โดยวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมาธิเหมือนเป็น2วิธีคือ 1. นึงวิธีของวิปัสสนาญาณิกคือวิธีของผู้มีวิปัสสนาเป็นญาณได้แก่วิธีการอย่างที่กล่าวไว้บ้างแล้วในเรื่องสัมมาสติเป็นวิธีปฏิบัติที่เน้นสติคือใช้สมาธิแต่เพียงขั้นต้นๆเท่าที่จาเป็นหรือใช้สมาธิเป็นเพียงตัวช่วยแต่ใช้สติเป็นองค์ทำหลัก สำหรับยึดจับสิ่งที่ต้องการกำหนดไว้ให้ปัญญาตรวจสอบวิจัยบางทีเรียกให้หนักแน่นว่าสุทธวิปัสนาญาณิกคือมีวิปัสนาล้วนเป็นญาณความจริงสมถะก็มีด้วยแต่แค่จำเป็นโดยไม่เน้นวิธีแห่งการเข้าถึงจุดหมายแห่งพุทธธรรมวิธีที่สองวิธีของสมถญาณิกคือวิธีของผู้มีสมถะเป็นญาณ เป็นวิธีปฏิบัติที่สมาธิมีบทบาทสําคัญคือบําเพ็ญสมาธิให้จิตใจสงบแน่วแน่จนเข้าถึงภาวะที่เรียกว่าฌานหรือสมาบัติขั้นต่างๆเสียก่อนทําให้จิตดื่มดำแน่นแฟนอยู่กับสิ่งที่กําหนดนั้นๆจนมีความพร้อมอยู่โดยตัวของมันเองที่จะใช้ปฏิบัติการต่างๆอย่างที่เรียกว่าจิตนุ่มนวลควรแก่งานโน้มไปใช้ในกิจที่ประสงค์อยากได้ผลดีที่สุด ในสภาพจิตเช่นนี้กิเลสอาสวะต่างๆซึ่งตามปกติฟุ้งขึ้นรบกวนและบีบคั้นบังคับจิตใจให้พร่านอยู่ก็ถูกควบคุมให้สงบนิ่งอยู่ในเขตจำกัดเหมือนผงทุลีที่ตกตะกอนในเวลาน้ำนิ่งและมองเห็นได้ชัดเพราะน้ำใสเหมาะสมอย่างยิ่งแก่การที่จะก้าวต่อไปสู่ขั้นใช้ปัญญาจัดการกำจัดตะกอนเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิง ในชั้นนี้ที่เจริญก้าวหน้ามาทั้งหมดนับว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่เรียกว่าสมถะถ้ามาหยุดเพียงนี้ก็จะก้าวต่อไปสู่ขั้นการใช้ปัญญากำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นเชิงคือขั้นวิปัสนาคล้ายกับในวิธีที่หนึ่งแต่กล่าวตามหลักการว่าทำได้ง่ายขึ้นเพราะจิตพร้อมอยู่แล้ววิธีปฏิบัติอย่างนี้ก็คือ การปฏิบัติที่เรียกว่าครบเต็มทั้งสมถะและวิปัสนาเมื่อแยกโดยบุคคลผู้ประสบผลสาเร็จในการปฏิบัติตามวิถีทั้งสองนี้ผู้ได้รับผลสาเร็จตามวิถีแรกคือผู้ได้รับผลสาเร็จตามวิถีของวิปัสนาญาณิเรียกว่าปัญญาวิมุตตคือผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาถ้าว่าอย่างเคร่งครัดเป็นสุขวิปัสสกะซึ่งได้สมาธิถึงฌาน ต่อเมื่อถึงขณะแห่งมรกจัดเป็นสุดท้ายของปัญญาวิมุตตส่วนผู้ได้รับผลสำเร็จตามวิถีที่สองคือผู้ได้รับผลสำเร็จตามวิถีของสมถญาณิเรียกว่าอุปโตภาควิมุตต์คือผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วนทั้งด้วยสมาบัตและด้วยอริยมรดเกี่ยวกับเรื่องนี้ควรดูเรื่องเจโตวิมุตตและปัญญาวิมุตตในบทที่8เพิ่มเติมด้วย ข้อที่ควรทราบเพิ่มเติมและเน้นไว้เกี่ยวกับวิธีที่สองคือวิธีที่ใช้สมรรถเต็มรูปแล้วจึงเจริญวิปัสสนาซึ่งได้ผลสำเร็จเป็นอุปตภาควิมุตนั้นมีว่า 1. ผู้ปฏิบัติตามวิธีนี้ย่อมประสบผลได้พิเศษในระหว่างคือความสามารถชนิดต่างๆที่เกิดจากฌานสมาบัติ ด, ด้วยโดยเฉพาะที่เรียกว่าอภิน ญ, ญาซึ่งมีหกอย่าง คือหนึ่งอิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ 2. ทิพระโสดหูทิพ 3. เจโตปริยญาณกำหนดใจหรือความคิดผู้อื่นได้ 4. ทิพประจักขุหรือจุดตูปปาตยานตาทิพหรือรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายตามกรรมของตน 5. ปุบเพนิวาสานุสติยานการระลึกชาติได้ 6. อาสวัคขยายานยานย่างรู้ความสิ้นอาสะวะส่วนผู้ปฏิบัติตามวิถีแรกคือวิธีของวิปัสสนาญาณิกจะได้เพียงความสิ้นอาสะวะหาได้ผลสําเร็จพิเศษต่างๆที่จะเกิดจากฌานใหม่ข้อควรทราบข้อที่สองผู้ปฏิบัติตามวิถีที่สองคือวิธีของสมถญาณิก จะต้องปฏิบัติให้ครบทั้งสองขั้นของกระบวนการปฏิบัติการปฏิบัติตามวิถีของสมถะอย่างเดียวแม้จะได้ฌานได้สมาบัตขั้นใดก็ตามถ้าไม่ก้าวหน้าต่อไปถึงขั้นวิปัสนาหรือควบคู่ไปกับวิปัสนาด้วยแล้วจะไม่สามารถเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาเป็นอันขาด